Na'mu tatsa pegawato, arahato sama sambut tatsa. Na'mu tatsa pegawato, arahato sama sambut tatsa. Na'mu tatsa pegawato, arahato sama sambut tatsa. Idanik diwaksesani patit Butsha Parisaya Gaji Thamikatha Gathiyate Ito Parang Jittat ขอนอบน้อมเดพรัฒนะไตรขอขราวะแกพระบุรภาจารย์และพระเทลานุเทละทั้งหลายบัตรนี้จากได้น้อมนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชีแจงเพื่อเป็นเนวทางแห่งการประพึติปฏิบัติและเพิ่มภูรณ์ปัญญาบรรมี เดชท่านผู้ใฝ่ในบุญในการอบรมปฏิบัติ 22 ไป 30 นั่นก็คือที่มาแห่ง สังขาร 47 ของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ 9 หลวง คุณวุฒโธอีกท่านหนึ่งซึ่ง มามาแล้ว 2 รูปแล้วก็ได้ รูปที่ 2 ก็คือพระเทพโมลี 28 เมษายนนี้นี้ก็ล้วนแต่เป็นพระ อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกเรียกว่ามาอบรมปฏิบัติธรรมเราก็ได้บุญได้บารมีของเราเพิ่มขึ้นนี่ ได้มาเสริมบุญ 47 ได้อบรมบ่ม ได้อบรมบ่มเพาะมารูปแล้วรูปเล่าออกไปสู่ภูมิภาคไปปฏิบัติหน้าที่สาธารณกิจทั้ง ก็เป็นทรัพยากรบุคคลก็คือท่าน มีการไหว้พระสวดมนต์ตาม 1 ชั่วโมงตอนเย็น 1 ชั่วโมงนั่ง 1 ชั่วโมงทํา ได้ประพฤติปฏิบัติเต็มที่ในการอบรมเป็นสัปปายะแห่งหนึ่งและท่านเองก็เป็นประธานสงฆ์ในทวีปนั้นด้วยนี่ ท่านก็เป็นเฮรัญญิกเป็นเลขานุการคณะสงฆ์เมื่อเวลาการอบรม เป็นทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการสูงสุดก็พระราชาคณะชั้นเทพชั้นราษฎร์และชั้น แล้วต่อมานอก 47 แล้วก็อันเป็นเจดีองค์เดิมได้ฉลองเจดีย์อง e um, 13 องค์ เราเท่ากับทุฑงควัตรของภิกษุ 13 ประการนี่ก็เป็นการ เจดีย์หรือว่าเพิ่มเติมให้สูงให้สง่าประมูลที่จะจัด เศรษฐี 2 โกรธก็ไล่กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเศรษฐีบ้านนอกว่า 7 โกรธเศรษฐี 8 โกรธเศรษฐีบ้านก็เลยมาคิดว่าเรามีเงินอยู่ 9 โกรธเท่านั้นถ้าหากๆว่า 9 โกรธ แต่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยปัญญาบุทธิดาวงศ์สาคนาญาติทั้งปวงจะเป็น เอาตัวเองมาเป็นข้า ดูแลพระเจดีย์นั้นจนกระทั่งตลอดชนชีพละจากโลกนี้ก็ไป สมบัตินั้นจนสมควรแก่อายุก็ถึงคราวที่จะจุติจากสวรรค์บรรดาสามีก็ยังท่องเที่ยวอยู่กับกามสุข ในก็ตั้งใจว่าจะลงตรงนั้นสาวัถีก็ตั้งใจว่าจะลงตรง แล้วทั้งสองก็ลงมาบังเกิดในมนุสสโลกปัญญาก็มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็น 16 ปีบิดามารดาก็รักษา ชายหนุ่มที่นําเนื้อจากชนบทมาขายก็เกิดปฏิพัทธ์ขึ้นมาทันมี แล้วก็ให้เปิดประตูตัวเองก็หอบ เป็นผู้ที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาตั้งแต่ยังเด็กเมื่ออายุ 7 ขวบนางก็ได้บรรลุ พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถึง 2 สามีภรรยานี้แล้วก็กล่าวถึงอดีต 2 สามีภรรยาได้ทําบุญครั้ง ตลอดจนในสวรรค์ท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งสิ้นศาสดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ากัสสปะเมื่อคราวที่ศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าโคดมจึงได้มาเกิดในที่แห่งแล้วพระก็พรรณนา ดังนั้นการสร้างเจดีย์จึงมีคุณูปการมีอานิสงส์ในการที่จะได้กระทําสิ่งเหล่านี้เป็นอเนกประการทีนี้บรรดาภิกษุ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านางกระทำตามหน้าที่ของปัญญาไม่ได้มี ศод 2 มีสติว่าถึงแก่การของเราแล้วเพราะฉะนั้นการ 50 กว่า มีการอบ Extension B into Freddie จิริธrika verschil ที่จะให้เราเข้าถึงถึงความเจริญรุ่งเรืองในสัมปรายิกภพไม่ ตามตลอดมาและที่วัดของเรานี้สำนักนี้ๆที่ เราทำกรรมดีมันก็ผลดีปรากฏให้แก่เรา แม้เราสวดมนต์นานๆก็เช่นเดียวกันจิตของเราจด ก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นจะเป็นเหตุให้เรานั้นมีความคิดไม่อยู่กับร่องกับรอยต่างกรอบของธรรมและวินัยของ ได้ฐานะที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธภพพระไม่บ้าไม่บ้าไม่หนวกไม่บอดไม่เสีย เราก็จะเข้าถึงฝั่งแห่งภพ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระโบราณอาจารย์ได้ จารึกเป็นอักษรไว้ได้ 84,000 คำหรือ 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อรวมให้สั้น 3 ข้อเท่าข้อ 1 บําเพ็ญข้อ 1 ทําข้อ 1 3 คํานี้เท่า เราก็ละชั่วเว้นจากการทําชั่วทั้งปวงยึดมั่นในหลักธรรม ที่ชาวโลกแม้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดเกิดเสด็จอุบัติขึ้นก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จ เราทําอย่างต่อเนื่องเราไม่กําหนดเรเรา 3 วัน 7 วันหรือมากกว่า ส่วนใจนั้นก็อีกข้อ 1 คือทําการทําจิตของตนให้พ่องแผ้วด้วยการภาวนาด้วย กับจิตใจของเรานี้อันนี้เรียกว่าภาวนาเป็นขั้นต้น ประพฤติปฏิบัติธรรมได้บวชพราหมณ์ณีชีปขาอบรมบ่มเพาะบวชศีลจารีณีบวชเนกขัมมะภารํ ทั้งเป็นแถบเป็นเสียงทั้งเป็นเทปทั้งเป็นหนังสือถึงศิสยานุสิตได้นํามาปรับปรุง ตลอดจนธรรมวิจารณ์ต่างๆล้วนแล้วแต่อ่านเข้าใจง่ายเมื่อเราได้หนังสือเหล่านั้นไปอ่านไปพิจารณาเราก็จะเห็นตามเป็นจริงอบรมบ่มเพาะประพฤติ ก็เช่นเดียวกับเราไม่ได้พบไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคํา เพราะเราได้น้อมนําเอาธรรมะที่ท่านพ่อได้อบรมพําสอนไว้ เป็นแดนอันบริสุทธิ์เป็นแดนประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจที่มาของการอบรมบ่มเพาะก็คือการจัดให้ได้กัลยาณให้ได้คุณลบุต ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะออกไปช่วยสังคมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นผลสําฤทธิ์ การฝึกจิตเป็นการดีฝึกจิตเป็นการดีจิตตังดันตังสุขาวหังการๆ ทำให้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้ามาสู่การเข้าถึงตัวเราสติปัญญามีญาณปัญญาเกิดแล้วอบรมจิตของเราให้รู้กายรู้ใจเนี่ยการอบรม เป็นใหญ่แห่งกายทั้งหลายใหญ่แห่งกายทั้งหลายส่วนกายก็คือสภาพ การอบรมจิตของเราที่จะอบรมจิตของเรานั้นก็คือการยังจิต เดี๋ยวมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้แล้วเรา 5 มีศีล 8 นี้เรียกว่าทํา สงัดวาจาก็คือไม่กล่าวคําเท็จไม่อันนี้ก็สงัดทางวาจาสงัดใจทําใจของ อยู่ในสถานเมื่อเราได้สถานที่อันเป็นวิเวคอย่างนี้แล้วอันสงบเงียบไร้เสียงกังวล ความส่งความไม่ปลีกปากทางวาจาส่วนทางใจของเรานั้นจะทําอย่างไรให้สงบและนิ่งเราก็ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกเข้าไปตัวจิตก็คือตัวรู้อยู่แล้วอะไรคืออารมณ์ก็คือ ที่มันถูกกับจริตของเรามันถูกกับจริตของเราที่อานาปานุสติที่บูรพาจารย์ทั้งหลายท่านได้กล่าวแม้พระพุทธเจ้าก็ หายใจออกยาวยาวเราหายใจเข้าหายใจเปล่าๆเราจะต้องหายใจให้มี หายใจเข้าไปยาวเราก็ใช้พลังดันว่าลมมาปทะที่ปลายจมูกส่วงอกแล้ว แต่เวลาเข้าเราจะต้องดันลมเข้าไปเป็นการเสริมพลังเป็นการ มีตำรับตำราไว้ให้พร้อมที่วัดท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาใหม่ท่านพ่อท่านจะใช้การนับไปจนกระทั่งถึง 10 ำ, บ, 9 8 7 6 5 4 ถึง ทำนองนี้ต่อมานี้ก็เป็นการฝึกจิตของ เมื่อเราสำเนียกแล้วก็ทําให้เกิดความสํานึกสํานึกขึ้น ตามพัฒนาดวงจิตของเราให้เข้าไปสู่หลักธรรมอย่างยินยวดยิ่งขึ้น เพียงแต่เราสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เราสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เป็นสมาธิชานเข้าไปหรือว่า มีองค์ประกอบเกิดขึ้นคือวิตกวิจารณ์อะไรเป็นวิตก หรือเห็นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในห้วงแห่งความ ความสุขอย่างไม่เคยปรากฏมันก็กลายเป็นองค์ประกอบของสมาธิ แท้สักพักเดียวก็จะขึ้นสำเนียกสำนึกระลึกมันจะตามสนับสนุนมันเป็นสติสัมปชัญญะขึ้นอยู่กับตัวเรานั้นคอยควบคุมคอยดูแลจิตของเราอยู่ตลอด หนังสือของหลวงพ่อพุทธก็เช่นเดียวท่านจะเน้นในหลักธรรมนี้เพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่เสา การทําจิตให้เป็นสมาธิเข้าไปถึงขั้นฌานถ้าใครได้สัมผัสท่านได้อ่านท่านได้ได้ฟังมันก็จะ เรเรเรเราก็จะเห็นปรากฏสีขาวนวลบ้างสีขมุกขมัวเหมือนก้อนเมฆ นี่แหละเรียกว่าเราทําสมาธิให้ได้ถึงขั้นอุปจารสมาธิเข้าไปถึง ก็ทําให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นจิต ที่ฝึกดีแล้วอบรมดีๆที่จะเกิดขึ้นกับจิตจะเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตไม่มี เมื่อได้รับน้ําก็จะเกิดฟื้นตัวเขียวสดและก็ชดสดชื่นยิ่งขึ้นเช่นกันกับใจของเราที่ได้อบรมบ่มเพาะเข้าไปถึงขั้นเป็นสมาธิมีองค์ประกอบเข้ามากํากับให้เราได้รู้มันจะมีภาวะความรู้เกิดขึ้นมาเองต่อ ภายนอกเราสูดลมหายใจเข้าไปแรงๆหายใจ คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเราจะทําได้จัดต้องตามภาระหน้าที่ของคฤาวาสแต่ว่าเราหายใจนั้นเราอยู่แม้ตื่นอยู่เราก็หายใจนอนหลับไปแล้ว ตามเท่านั้นเมื่อเรามีความ 2 จุด 2 จุดก็จะทําให้ภาวะการจิต สมาธิของเราก็จะมั่นคงอัปปนาสมาธิก็จะ นี่แหละคือการฝึกจิตแล้วมันๆได้โดยง่าย มาพิจารณาสังขารร่างกายก็ หรือเกิดญาณปัญญาขึ้นกับตัวเราเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นสังขารของเรานี้เป็นของไม่จีรังยั่งจืนเป็นของแปรเปลี่ยนไปตามกาไปตามสภาพ การเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นของกฎเกณฑ์ธรรมดาแล้ว ทำให้เกิดการรู้แจ้งทำให้เกิดปัญญาอันหลากหลายทำให้มี มีเครื่องหมายบอกมันก็จะต้องมีหลักธรรมขึ้นมาเราจะต้องเอาอะไรล่ะบอกสิ่งที่จะ 84000 พระธรรมขันธ์ 3 ข้อคือ บำเพ็ญบุญทำจิตของตน 3 ข้อทีนี้เท่านั้นแล้วก็อบรมบ่มเพาะ เทพเสียงของท่านเทพของท่านอะไรหนังสือสําหรับตําราก็ยังมีอยู่ แล้วเราก็จะเห็นผลในมันก็จะเกิดการกระตุ้น ในชั่วขนาดหนึ่งมันลืมไปก็แล้วไปแล้วมันก็จะกระตุ้นให้เรากิดขึ้นมาอีกต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆในธา насколько that impressed us cuando was younger Stock- nós��면ชุ母 and je please กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเวลาเราจะพักผลรับนนเราก็โน้นจะแข่งขวา ftig น้อนสีหาส่ายอย่าตแล้วก็กล่าวน้ ใช้อารมณ์หายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องบริกรรมอะไรก็ได้หายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องบริกรรมอะไรก็รักษาทําให้เราอยู่เย็นตื่นก็เป็นสุขอย่าง ไม่ต้องมาทําอะไรทุกเวลานาทีทุกลมหายใจเข้าออกของเราเราก็ทําไปเถอะเดินไปเร ในบูรพาจารย์ท่านได้กล่าวถึงเรื่องการฝึกสมาธิสามารถที่ให้หยุดอยู่ได้กรรมของเรานั้นเป็นมันย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมังสัตเตวิภัชติกรรม เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นเพราะกรรมผลแห่งกรรมทําให้เรา หลังจากชนกกรรมคือกรรมทําให้เราได้เกิดมาแล้วก็มีอุปถัมภกกรรมกรรมถึง อกุศลกรรมขึ้นมาอุปถัมภกกรรมก็จะตามสนับสนุนให้เราๆให้ๆทีเดียวอุปถัมภกกรรมนี้สนับสนุนทั้งนั้น 3 อุปีฬกกรรมกรรมบีบขันธ์กรรม อยากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอโศการามปีนี้มีการทําบุญมีการฉลองเจดีย์สะดวกทําให้ อันนี้เรียกว่าขัดขวางในการทําความดีเรากรรมชั่วนะอย่าทํานะเดี๋ยวก็ติด มันก็จะไปขัดขวางอย่างนี้ก็ทําให้เรา 4 กนิกรรมตัดรอนกรรมอันนี้จะเข้ามาย่ํา 26 ปีผ่าน 60 เป็น กรรมตัวนี้ก็จะเข้ามาตัดรอน ถึงแม่อุปคาตกรรมไม่ตัดหลอนมันกรรม 4 ข้อนี้คือ ทิฏฐธัมมะเวทนียกรรมให้ผลทันตาเห็นให้ผลทันทีผลทันตาให้ผลในชาติที่สามให้ผลทันทีอุปัจฉเวทนียกรรม ในบทที่ 4 อโหสิกรรมกรรมบทนี้ตามให้ผลไม่ได้เหมือนเป็นเบรกไว้ให้ขวาง ก็คือเป็นเบรกให้กรรมเหล่านั้นตามเราไม่ทันเหมือนกรรมนั้นมันติดไฟแดงเราก็ 3 ขั้นมันก็ตามเราไม่ทันมันก็แล้วแต่ บางทีมันก็อ่อนไปอ่อนไปก็เป็นอันว่ายกเลิกกันไป เมื่อเราทํากรรมดีมันก็สุดโต่งไปว่าเคยทําอย่างนั้นมาล่ะทําไม แล้วมีคราวหนึ่งมีคราวหนึ่งท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์สมเด็จ ก็เรเวลเสียงขึ้นมาตกใจอย่างเหมือน พระบารมีปกเกล้าสมเด็จก็มากราบว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นนั้นก็อยากจะให้มันปรากฏอีกมาระยะหลังไม่ปรากฏหลวงพ่อพุทธท่านก็แก้ว่าไม่ต้องไปคำนึงถึงเราทํา เราทําบุญสุนทานอย่างไรเราได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีย์ได้บวช สิ่งที่ดีดังนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรานั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ใน เราหิวข้าวเราบำบัดด้วยการกินอาหารมันก็อิ่มแล้วก็เลิกไปแล้วก็หิว ฤยะยถากรรมยถากตกรรมที่เราเรียกเสมอว่าไปตาม อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นใดนี้เป็นกตเพราะฉะนั้นยถากรรมนี้แหละนําพาเรามาสู่สถานที่ดีมีสุขได้มาอบรมบ่มเพาะอย่าง ตั้งแต่วันเมื่อวานนี้มาหลายๆวันบางคนก็อธิษฐานจิตจนถึง 9 วันอย่างนี้ก็มาสู่สถานที่อัน บริจาคทานสมาทานศีลเจริญเมตตาภาวนาได้ฟังเทศน์ฟังบ่มเพาะจิตใจของเราอยู่เสมอตลอดอย่างนี้ก็ทําให้ อันสมควรแก่การงานแล้วนํา <_' S 1> ให้ปฏิบัติธรรมของเราคุ้มค่าเกิด 37 ประการก็มี 4 แล้ว 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรค 8 รวมกัน 37 แล้วเราจะปิดปฏิบัติอย่างไรทั้ง 37 ข้อนั่งท่านก็ปฏิบัติได้ทั้ง 37 ข้ออันดับแรกแรกท่าน คือปหานประธานเกิดขึ้นกับท่านสังวรประธานเกิดขึ้นจากท่านภาวนาประธาน ก็คือระวังไม่ให้อารมณ์อื่นเข้ามาเอาลมหายใจอย่างเดียวสติเป็นให้เกิดขึ้นในเอกเป็นเอกคตาลมเกิดขึ้น ร้านมันก็เกิดขึ้นแล้วอารมณ์ของเราให้ได้นานมันก็เกิดขึ้นแล้วต่อแต่นั้นมาเมื่อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานปรากฏ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันก็จะเกิดขึ้นแล้วกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามันก็เกิดขึ้นเมื่อเรามีบ่มเพราะมีปิติปราโมทย์ฉันทะความพอใจวิริยะความพากเพียรพยายามจิตตะความเป็นผู้มีจิตวิมังสาการพิจารณาไตร่ครวญมันก็จะเกิดขึ้นญาณปัญญา อินทรีย์ 5 สัทธินทรีย์ก็คือศรัทธาในการอบรมปฏิบัติก็เกิดศรัทธาขึ้นมาวิริยินทรีย์ความพากเพียรพยายามขจัดอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามาคร่ํากายใน พละ 5 ศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังมันก็เกิดขึ้นจบกระบวนการในสมาธิบทเดียวนั่นเอง ให้เด่นชัดขึ้นมาวิริยะความพากเพียรพยายามอย่างเด็ดเดี่ยวปิติความปิติ อุเบกขาความเป็นผู้มีอารมณ์เดียวก็ปรากฏ 8 ประการมันก็ไล่ไปแล้วตามคารองคันธรรมเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ สัมมาสังกัปโปคือดําริชอบดําริออกจากกามสัมมาวาจาก็ โสเสียดไม่พูดสํารากเผอเจ้อมัน ไม่ขาของมึนเมามัน ที่ได้กล่าวแล้วเค้าว่าปหานนประทานสังวรทั้ง 37 ข้อ มันก็ทำให้เรา อบลมบมพ, แจก", แจง", ธรรมทั้งหลายอยู่ในตัวนั่งภาว yahoo a geng., ไปม่าวิ bottle innovativet 3 ตรัดigue 1 ،ม่าวิเชญ è Petersil 게 lilyptured ม่าวิ问บาล ainsi สโมง 2 ปว p h j ph an x five ha. หยุ t g k y k y k e h maybe privilege zwang Sung dam out another punto ต่อไปอีก эфф จัด Hurmanaran Double NFB 1 ม่าวิเชิญ ys Gallag' JavaScript มาวิเค vendor เจาะลึกเข้าไปในจิตในใจของเราก็จะสาจากการประพฤติปฏิบัติ ทำให้เรามีสติสำปรัชยะ เราเกิดมาในโลกนี้ก็เพราะบุญธรรมกรรมเต่ง เพราะฉะนั้นจงภูมิใจเสียเถิดที่ท่านทั้งหลาย อบรมปฏิบัติธรรมอย่างนี้ตลอดมาซึ่งเป็นแบบฉบับไม่ว่าศิษย์ญาณุศิษย์ของพัฒนาศัพพยากรบุคคลที่ดีเด่นออก เป็นศิษย์ศิยารุ่นศิษย์ๆพวกเราเกิดสุดท้ายภายหลังก็ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ในท่านพ่อหลีที่วัดอโศการามด้วยกัน วันที่ 20 เที่ยงกลาง 25 รุ่ง 26 เดือน 2504 จน 47 ปี วันที่ 25 26 เมษายนเราก็มาพร้อมกันอย่างนี้ได้ชื่อว่าได้สั่งสมบุญบารมีอบรมบ่มเพาะในนี้ปี 1 เราก็มาพบกันอย่างนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์มันก็เป็นการเพิ่มพูนบุญยะระลศีซึ่ง พุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าบาดนึงว่า 47 ปี แล้วก็ได้มีถึง 9 วันในวันแรกวันที่ 22 ก็ได้ๆจนกระทั่งวันสุดท้าย คือจงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงอภิบาล คำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ ยังอยู่ในโลก